ปฏิบัติทางปฏิปธานั้นอีกเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นพิภพสาคละราชธานีจึงมีพระราชองค์การถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนา่าแต่พระนาคะเสนเถระผู้ปรีชายานสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงกระทำทุกกระกิริยาอันเป็นกรรมที่บุคคลจะพึงทำได้ด้วยยากแล้วในที่อื่น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 เสวันโตกลับเสวยอาหารก็ได้สําเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานเพราะตั้งไว้ซึ่งเพียงเป็นมหาประธานทางเดียวนั้นใช่จะสําเร็จด้วยปฏิบัตินอกจากเพียง น, นี้หามิได้อย่าว่าแต่สมเด็จพระสัพพัญยูบ ร, รมครูเจ้าของเราท่านนี้เลยถึงสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าพระองค์อื่นแต่บรรดาได้ตรัสรู้ล่วงลับไปแล้วนั้นก็สําเร็จทางเดียวกัน